1.19 จหนึ่งจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียววงเล็บเปิดส6บหกพฤศจิกายน25้าห้าในวงเล็บสองจุดจุดนาทีสี่เอดวงเล็บปิดสังเกตไหมเวลาที่เราเผลอไปเราไปรู้เรื่องราวที่คิดเรื่องราวที่คิดเนี่ยในภาษาปริยัตเรียกว่าอารมณ์บัญญัติเมื่อใดรู้อารมณ์บัญญัติเมื่อนั้นจะไม่รู้อารมณ์ปรมัติอะไรคืออารมณ์ปรมัดกายกับใจคืออารมณ์ปรมัด เมื่อใดคิดเมื่อนั้นไม่รู้กายไม่รู้ใจจิตมีธรรมชาติรู้อารมณ์ได้ครั้งไวอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้กายก็จะไม่รู้ใจไม่รู้อารมณ์บัญญัติเวลารู้ใจก็ไม่รู้กายไม่รู้บัญญัติเวลารู้บัญญัติก็ไม่รู้กายไม่รู้ใจรู้ทีละอันทีละอันฉะนั้นจิตเกิดดับไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตก็รู้อันนี้เดี๋ยวก็รู้อันนั้นจิตคนละดวงกันดูไปเรื่อยจนเห็นเลยจิตมีแต่เกิดดับไปเรื่อยๆดูไปวันหนึ่งไม่ยึดถือจิต ถ้าไม่ยึดถือจิตได้นะมีความสุขที่สุดในโลกเลยเพราะมันหมดภาระ